เราพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติทางจิตหลายคนก็รู้ไปถึงการปฏิบัติในรูปแบบที่มีเวลาที่แน่นอนอาจจะเป็นตื่นเช้าก่อนนอนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติทางจิตเนี่ยที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน มีอีกแบบหนึ่งนะก็คือการที่เราประสานมันเข้าไปกับการทำงานกับการทำกิจต่างๆนะพูดง่ายคือระหว่างที่เราทำกิจอะไรก็ตามเราก็ทำจิตไปด้วยในตัวการปฏิบัติอย่างหลังเนี่ยนะเราก็สามารถจะทำได้ตลอดเวลาไม่จาเป็นต้องหาเวลาที่พิเศษหรือว่าแยกต่างหากนะจาก การทำกิจในชีวิตประจําวันแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่มันไม่มีรูปแบบนะตายตัวอาจจะไม่ได้หมายถึงการเดินจงกรมไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาอาจจะกําลังทํากิจต่างๆอยู่เช่นอาบน้ําถูฟันกินข้าวขับรถแต่ก็เป็นการปฏิบัติทําไปในตัว หรือเกิเป็นการปฏิบัติทางจิตไปพร้อมๆกันอันนี้คือสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญด้วยบ่อยครั้งเราลืมการปฏิบัติในความหมายนี้ไปนะเราไปนึกถึงแต่การปฏิบัติทางจิตที่มันมีรูปแบบที่แน่นอนจะเรียกว่ามีท่วงท่านะมีรูปแบบ ที่ชัดเจนก็ได้ซึ่งการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมาถึงการจัดเวลาให้ชนิดที่มันแยกออกไปจากการทำกิตในชีวิตประจำวันซึ่งที่จริงก็สำคัญนะแต่ว่าก็ให้ตระหนักว่าอันนี้มันก็เป็นแค่การซ้อมนะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เราลงสนามจริงนะเวลาลงสนามจริงก็คือว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันตามปกติเราทํากิจอะไรก็ตามเราก็เอาการปฏิบัติทางจิตเนี่ยผสานเข้าไปหรือว่าซ้อนเข้าไปนะกับการทํากิจต่างๆโดยเพราะการเจริญสติเนี่ย มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เรียกร้องรูปแบบไม่เรียกร้องการจัดเวลาให้ชนิดที่พิเศษหรือว่าแยกตัวออกจากสังคมหรือว่าแยกตัวออกจากชีวประจําวันคที่เราอยู่บ้านใครที่เราอยู่ที่ทํางานอยู่บนท้องถนน เราก็ปฏิบัติทำได้นะถ้าว่ามันเป็นการเจริญสติหรือเป็นการปฏิบัติทางจิตเพื่อให้มีความรู้สึกตัวในสิ่งที่เราทำงั้นต้องแยกแยะให้ดีแล้วเข้าใจนะถึงความหมายของการปฏิบัตินะซึ่งมันคือการปฏิบัติทางจิตนั่นะแหละหรือเราเรียกง่ายๆว่าการปฏิบัติในมีโยมา สนทนาธรรมแล้วก็ก็ปารบว่าระยะหลังเนี่ยทำงานจนเหนื่อยนะเลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติอาตมาก็เลยบอกเขาไปว่าก็เพราะไม่ปฏิบัติสิจึงทำงานจนเหนื่อยเขาก็นั่งคิดอยู่นานนะ หรืออาจจะงงๆกับคำตอบส่วนใหญ่คิดแบบนี้นะหรือว่าประสบเหตุการณ์ทำนองนี้คือว่าทำงานเยอะแล้วก็ทำงานจนเหนื่อยเลยไม่ได้ปฏิบัติเช่นอาจจะทำจนค่ำแล้วก็เลย ไม่มีเวลาสำหรับการปฏิบัติการปฏิบัติที่ว่านี้ก็มหมายคือการปฏิบัติในรูปแบบจะเป็นการเดินจงกรมจะเป็นการตามรลวใหายใจก็แล้วแต่แต่ว่าเขาลืมมองไปอีกแง่หนึ่งว่าถ้าเขาปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่เหนื่อยอย่างที่รู้สึกอย่างที่เป็นการปฏิบัติในความหมายนี้คือการปฏิบัติทางจิต คือการเจริญสติหรือการทำความสึกตัวควบคู่หรือพร้อมๆไปกับการทำงานนะในระหว่างที่ทำงานใช้ความคิดในระหว่างที่มีการประชุมนะในระหว่างที่ทำกิจอะไรก็ตามถ้าว่าเราทำอย่างมีสติทำ ด้วยความสึกตัวเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะหรือมันจะเหนื่อยน้อยกว่าที่หลายคนประสบอยู่เพราะเวลาพูดถึงความเหนื่อยเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยเพราะว่างานที่กําลังทําหรืองานที่ทําอยู่นะไอตัวภาระ ของงานที่ทําอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่มันเหนื่อยตรงที่ใจเนี่ยนะมันไม่ค่อยได้อยู่กับงานไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่เช่นไปอยู่กับเป้าหมายหรือยอดที่ต้องการทําให้ได้ซึ่งยังอยู่อีกไกลหลายคนเนี่ยพอ เพียงแค่คิดว่าอีกต้องนานกว่าจะเสร็จนี่มันก็รู้สึกท้อและรู้สึกเหนื่อยแล้วเพียงแค่คิดว่าอีกต้องนานกว่าจะเสร็จมันก็จะนึกขึ้นมาเลยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จแค่คิดแบบนี้มันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหรือว่านึกไปถึงงานอีกหลายชิ้นที่รออยู่หกเจชิ้นที่รออยู่หรือคิดถึง คนที่บ้านที่กำลังเจ็บป่วยนึกถึงลูกนะที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงคบเพื่อนไม่ดีเป็นห่วงลูกเกิดความเครียดขึ้นมาในระหว่างที่ทำงานแค่นี้ก็ทำให้เหนื่อยแนละ้วไอ้ความเหนื่อยงคนที่ทำงานเวลานี้มันไม่ใช่เหนื่อยจากการทำงานเท่ากับเหนื่อยเพราะใจที่ไปวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่ยังมาไม่ถึง กับยอดที่ต้องทำให้ได้กับผลสำเร็จที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปตามเป้าไหมเจ้านายเขาจะว่าอย่างไรถ้าเกิดว่างานไม่เป็นไปอย่างใจเขาคนหรือเพื่อร่วมงานเขาจะมองยังไงนะคิดไป ง, งี้ก็ทำให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกึ้นมาแล้วบางทีใจก็ไปอยู่กับ ไปจดจ่ออยู่กับเพื่อนที่เขาไม่ค่อยขยันขันแข็งเท่าไรหลายคนเนี่ยไม่ได้เหนื่อยกับงานเท่ากับเหนื่อยเพราะไปวิตกกังวลหรือไปจมจมอยู่กับเพื่อนที่กินแรงเพื่อนที่เอาเปรียบเพราะเวลาคิดถึงคนเหล่านั้นก็อดบ่นไม่ไดนะ้เกิดความหงุดหงิดเกิดความขุนเคือง ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเหนื่อยใจซึ่งมันสร้างความทุกข์ให้กับคนทํางานยิ่งกว่าไอ้ความเหนื่อยเพราะทํางานบางทีทํางานขุดดินนะทำสวนหรือว่าขนของเนี่ยหลายคนจะไม่รู้สึกเหนื่อยเท่ากับ ้ความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับงานการเกี่ยวกับเป้าหมายที่ยังไปไม่ถึงนะหลายคนก็กลายเป็นว่าแารที่จะเหนื่อยอย่างเดียวนะก็เหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะมีเด็กนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสิได้ได้รับ ชวนนะคำชวนให้ไปออกรายการพลเมืองเด็กรายการนี้ก็เป็นของไทย p b s เมื่อ10กว่าปีก่อนเราก็จะพาเด็กกลุ่มหนึ่งนะ3คน4คนเนี่ยบางทีก็8ปก้าคบางทีก็13 1ส1มมาร่วมกันทำภารกิจบางทีก็ให้ไปเลี้ยงมา้าแต่ว่ากรณีเด็กกลุ่มนี้เขาให้ทำ ภารกิจอย่างหนึ่งนะัคือขนของขึ้นรถไฟคนะองการดูว่าเด็กเขามีความร่วมมือกันอย่างไรรถไฟเนี่ยมันมีเวลาออกที่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องช่วยขนนะผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชาย2คนนะบังเอิญนะวันนั้นเนี่ยสมกิตสมจิตจง จ, งจอหอนี่ขึ้นชกนะสมจิตนี่ก็เป็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก แล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยเด็กสองคนเนี่ยช่วยงานอยู่ดีพอถึงเวลาที่จะมีการถ่ายทอดสดก็ทิ้งงานเลยนะไปดูการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะในร้านกาแฟข้างสถานีก็ปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยเพื่อนผู้หญิงทำงานคนเดียวเพื่อนของนี่แกก็ตั้งนางตาขนนะเพราะว่า ให้ทันเวลาพิธีกรเห็นก็เลยถามว่าเนี่ยหนูที่จะไงที่เพื่อนทิ้งงานให้หนูทำงานคนเดียวเดี๋ยวพี่วันนี้ก็บอกว่าก็หนูก็เห็นใจเขานะเห็นใจเพื่อนสองคนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิต น, น, นานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชกไอ้หนูเนี่ยไม่สนใจหรอกนะมวยเนี่ยหนูก็เลยทำงานของหนูไปดีกว่า พี่ตีกองยังไ ม, ม่พอใจคําตอบเท่าไหร่นะก็เลยถามแยกเนาะหนูไม่โกรธเลยหนูไม่คิดจะด่าว่าเขาเลยที่เขาที่ไงให้หนูทําคนเดียวเมื่อเด็กตอบดีนะเด็กตอบว่าเนี่ยหนู้นของขึ้นอถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเ้าด้วยหนูก็เหนื่อย2 อ, อย่างเหนื่อยสอย่างคืออะไรเหนื่อยกายเหนื่อยใจเด็กคนนี้เขาฉลาดนะเขรู้ว่าไหนๆจะต้องเหนื่อยแล้วขอให้เหนื่อยอย่างเดียวดีกว่า แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเหนื่อยสองอย่างนะทำงานไปก็บ่นไปทำงานไปก็นะกลด่าเพื่อนร่วมงานหรือบางทีก็บ่นเจ้านายก็เพราะอย่างนี้นะจึงทำงานแล้วเหนื่อยกว่าเดิมแต่ถ้ามีสตินะมีสติมันจะเห็นนะว่ามันจะเห็นใจที่มันบน่นแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยเอาแต่บน่น จิตเนี่ยจะกลับมาอยู่กับงานที่ทําหรือว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ส่งออกนอกนะถ้าเราทํางานในมีสติเนี่ยใจมันก็จะอยู่กับงานนะมันจะไม่เผลอส่งออกนอกถึงแม้เผลอก็ยังรู้รู้ทันแต่เวลาเราทํางานเนี่ยบ่อยครั้งเราส่งจิตออกนอกออกไปกล่นบนด่าเพื่อนร่วมงานบ้างบางทีก็ไป บนดาเสียงดังที่มันรบ ก, กวนนะหรือว่าเจ้านายที่ไม่เป็นธรรมหรือบางทีก็ไปอยู่กับอนาคตอนาคตคือเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงผลสำเร็จที่คอยอยู่หรือเป้าที่ต้องการจะไปให้ถึงอันนี้เรียกว่าอนาคตนะซึ่งมันเป็นเหตุ เป็นไซต์ทำงานจะทำให้คนทางานแล้วเบือ่อาทางานแล้วเหนื่อยทางานแล้วเครียดใจไม่อยู่กับปัจจุบันถ้ามีสติเนี่ยทำงานยังมีสติหรือว่าทางานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเนี่ยใจไม่จีอยู่กับปัจจุบันแล้วมันจะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจของตัวเวลาเหนื่อยมันก็เหนื่อยแด่กายนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยหรือถ้าว่าเราปฏิบัติ ทางกิตระหว่างที่ทำงานไปด้วยเนี่ยเวลามันมีความเครียดขึ้นมาเนี่ยส ต, ติมก็ช่วยทำให้เห็นความเครียดนะแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้เครียดถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจนะไม่ชอบความเครียดยแต่ว่าเข้าไปเป็นผู้เครียดอยู่ตลอดเวลาไม่ชอบความหงุดหงิดแต่ว่าเข้าไปเป็นผู้หงุดหงิดตลอดเวลา ถ้าเจริญสตรีมจะเห็นนะว่าความเครียดเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เข้าไปยึดหรือไม่ไปผักใสคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าไปเข้าไปยึดความเครียดเข้าไปเป็นผู้เครียดนะไปแบกเอาไว้ก็เลยทำแล้วเหนื่อยใช่ตรงข้ามเนยถ้า ม, มีสตินะเห็นความเครียดเห็นความหงุดหงิดแล้วเนี่ยมัน แค่เห็นเฉยๆไม่เข้าไปเป็นผู้เคลียร์เนี่ยก็ทำด้วยใจที่ปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องมีแรงที่ทำไปได้เรื่อยๆมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งนะเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีชื่อมากในอเมริกาเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะยสมัยซัก60ปีที่แล้ว เป็นคนที่สร้างสำนักปฏิบัติแบบเซนแห่งแรกในอเมริกาชื่อชุนวิลสุสุเกะตอนนั้นมีรู้สึกรู้หามีชาวอเมริกันหนุ่มสาวมากมายเลยเพราะว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันตอนนั้นเริ่มมาสนใจเรื่องการฝึกจิตนะไม่สนใจเรื่องการหาเงินการมีชื่อเสียงอย่างคนรุ่นพ่อก็มีช่วงหนึงท่านชุนวิลเนี่ยไปสร้างสำนักที่ ที่นอกเมืองนะนอกเมืองคือนอกซานฟรานซิสโกเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำเพราะว่าถ่าท่าก่อสร้างมันแพงทันชุนเรือตอนนั้นก็อายุ60แล้วแล้วคนญี่ปุ่นเวลานั้นตัวเล็กนะตรงข้ามกับลูกศิษย์ของท่านนี่เป็นอเมริกันหนุ่มสาวนี่ร่างกายแข็งแรงบึกบึนอายุก็เพิ่ง20ตสิตนตนช่วงที่ก่อสร้างนะ มันก็ต้องขนหินขนเสาขนไมน้ต้องทำกันเองเพราะว่ า, วาลูกศิษย์ของท่านเนี่ยทำไปได้ครึ่งวันก็เหนื่อยแต่ว่าท่านชุนเร็วเนี่ยทำงานทั้งวั น, นไม่ใช่แค่ช่วงช้าองเดียวนะช่วงบ่ายก็ทำลูกศิษย์นี่ทึ่งมากเลยเพราะว่าอาจารย์นี่อายุมากแล้วก็ตัวเล็กแต่ขนหินขนเสานี่ทั้งวัน ก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทําได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยลูกศิษย์นี่งงนะก็เห็นอาจารย์ทํางานตลอดทั้งวันที่จริงที่ทำนะก็คือกายมันทำนะแต่ว่าใจพักกายแบกหินแต่ว่าใจไม่ได้แบกหินไปด้วยนะแม้จะมีความเหนื่อยแต่ใจก็ไม่ได้แบกความเหนื่อยหรือไม่ได้ไปรู้ว่าความเหนื่อยเป็นกูเป็นของกู ใจไม่ได้ไปนึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะไม่ไปแบบความคาดหวงังว่าจะต้องเสร็จไวๆพู้งงาคือท่านทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางนี้เราก็ต้องมีสตินะเพราะถ้ามมีสติเนะี่ยมันจะเข้าไปยึดนะยึดความเหนื่อยของกายว่าเป็นความเหนื่อยของกูนะหรือแม้ก็ไปยึดเป้าหมายยึดความคาดหวังที่ ถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเพราะมันยังไม่เสร็จทักทีก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลแต่อาจารย์ไม่เลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยทำงานเหนื่อยน้อยกว่าลูกศิษย์นะเพราะอเพราะอาจารย์ปฏิบัติจึงพูดนะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าปฏิบัติเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ ต่คนถ้าไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็จะคิดว่าเนี่ยทำงานท่าเหนื่อยแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาปฏิบัติเพราะไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปแบบเป็นเรื่องของการแยกตัวออกมาหรือแยกการปฏิบัติออกมาจากการทำงานยั้นถ้าทำงานเหนื่อยแล้วก็ไม่มีเวลาให้กการปฏิบัติหรือว่าไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะปฏิบัติละเพราะว่าล้า แต่ที่จริงที่ล้าเนี่ยนะหรือที่เหนื่อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าวางจิตวางใจไม่ถูกมากกว่ามันไม่ใช่ล้าเพราะหรือไม่ใช่เหนื่อยเพราะการทํางานเพราะตัวงานเองนะแต่เป็นเพราะใจที่ไม่วางไว้ไม่ถูกเนะี่ยมันก็เลยแทนที่จะเหนื่อยอย่างเดียวก็เหนื่อยสองอย่างอย่างที่เด็กอ่าเด็กสาวคนนั้นพูดเนี่ย ให้เราลองสังเกตดูนะถ้าเราเอาการปฏิบัตินะมาซ้อนหรือมาประสานกับการทํางานเนี่ยมันจะเหนื่อยน้อยและมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่หรือเจอกับความยากลําบากได้ได้ดีมากขึ้นมีฝรั่งคนหนึ่งนะถูกจับนะเข้าคุกที่แรกก็ข้อหาก็ไม่รุนแรงนะ ลักเล็กขโมยน้อยเสพยาแต่ตอนหลังเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตเลยเพราะว่าโดนข้อหาว่าเนี่ยไปฆ่าผู้คุมทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำจิดคุกตลอดชีวิตนะแล้วก็บังคังนี่ก็ต้องถูกขังเดี่ยวทุกทรมานมากคนเราเนี่ยถ้าว่าตัวเองบริสุทธิ์นะแต่ว่าต้องถูกลงโทษลงทันเนี่ย ขนาดที่เรียกว่าอาจจะต้องตายหรือถูกอาหารชีวิตไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกเขาฆนะ่าแกงมันทุกข์ทรมายมากแต่ตลังนะเขาเกิดสนใจเรื่องการทำสมาธิขึ้นมาเพราะว่าเครียดมากทุกมากนะแล้วก็มีคนที่มาเยี่ยมเยินเขา ชวนให้เขาลองทำสมาธิดูตอนหลังเขาทำแล้วเอิมก็ช่วยได้เยอะนะแล้วก็เลยสนใจพุทธศาสนาพอศึกษาพุทธศาสนามากๆเกิดสมาธานนับถือพุทธศาสนาเลยอาจารย์เขาเป็นเป็นเป็นรินโปเชนะนับถือพุทธศาสนาแบบวัชรา ย, ยามก็เขาเป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติมากนะ อยู่ในคุกเนี่ยตังที่ห้องกระครับแคบเนี่ยแต่ตื่นเช้าขึ้นมาตีสตี5ลุกขึ้นมาสวดมนนั่งสมาธิเล่นโยคะแต่ว่าความทุกมเาเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างนะรวมทั้งจากผู้คุมด้วยแต่เขาก็สามารถที่จะรักษาจาจให้ให้ปกติไม่มีความเครียดแค้นต่นหลังเนี่ยคนในผู้นักโทษด้วยกันก็รู้นะว่าเขาเนี่ย มามาสนใจพุทธศาสนาก็มีคนนึงถามเขาเนี่ยว่าเนี่ยอยู่ในคุกอย่างเนี้ยแกยังจะนับถือพุทธศาสนาอีกหรือเพราะข้อหมองว่าเนี่ยอยู่ในคุกเนี่ยมันต้องเหยื่อนะถ้าหากว่าทําตัวหน่อมแน้ำเช่นนับถือพุทธศาสนาเนี่ยมันจะไปรอดหรือแล้วเพื่อนก็ถามเขาด้วยความสงสัยนะว่าเนี่ย อยู่ในคุกแบบนี้นี่แกนับถือพุทธศาสนาได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เลยนะมันต้องเที่ยมนะมันต้องกล้านแต่จาวิสเนี่ยนะแกตอบดีกับตอบว่าก็เพราะอยู่ในคุกเสียนะจึงต้องนับถือพุทธเนะี่ยพอไม่งั้นเนี่ยประสาทกินแล้วหรือไม่นั่นก็อาจจะต้องตายไปแล้วนะเพราะความทุกข์ทรมาน เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยการที่เขานับถือพุทธเนี่ยหรือที่จริงผูใ้ใถูกคือการที่เขาปฏิบัตินะการฝึกจิตเนี่ยตามคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จ ะ, ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากในคุกได้นะด้วยใจที่ไม่ทุกไปด้วยแลเพราะว่าในการที่อยู่ในคุกและบางทีอยู่ในคุกมืดหรือว่าอยู่ในคุกเดียวนี่มันโดยที่ไม่รู้ว่าจะ มีกำหนดออกเมื่อหรือไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นี่มันทรมานมากนะแต่ว่าการที่เขาอาศัยการฝึกสตินะการฝึกทางจิตมันทําให้เขาเป็นผู้เป็นคนได้แล้วเขาจึงบอกว่าเนี่ยก็เพราะอยู่ในคุกนีนะจึงต้องนับถือหรือต้องปฏิบัตินะัพุทธศาสนาพอไม่งั้นเนี่ยคงจะบ้าดตายไปแล้วหรือไม่ใช่ก็คุ้มครั่งไปแล้วอันนี้เขาตอบได้น่าสนใจนะแล้วคนราเนี่ยนะถ้าว่าเรา เข้าใจเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องเนี่ยอย่าว่าแต่ทำงานแม้กระทั่งในกา ร, รเผชิญความทุกข์ความยากลาบากเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราจะผ่านพ้นมันได้หรืออยู่กับมันด้วยใจที่ไม่ทุกข์เมื่อทำงานก็ก็ไม่เหนื่อยไม่ล้ามากหรือแม้ว่าจะเจ็บจะป่วยหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเหมือนนรกเนี่ยก็สามารถที่จะ อยู่กับสาการง์นั้นได้โดยใจที่ไม่ถูก